ว, ว, วันนี้เป็นแคสต์สิบเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่บีเคสิบเก้าชั้นจะบินกราบวัสดิการบริดคุณหลวงพ่อที่เคารพยังสูงครับผมเป็นพระลูกชายของบิดคุณหลวงพ่อรูปหนึ่งเตรียมตัวให้ดี เป็นพระลูกชายก็ต้องเตรียมตัวให้ดีดูหน้าหน่อย <c oughs> อืออืออ๋ออย่างนี้เนาะอ๋อรับบุญแปลสดด้วย <c oughs> อ๋อมิหน่าดูหน้านี่ใช่เลยต้องไปในประเทศนี้เป็นภาษาจี น, <c oughs> นดวงตาไม่มีเหลาเต่งเนยน ผมเป็นพระลูกจ้างไม่เดืคุณหลวงพ่อรอบหนึ่งที่ยิ่งอยู่เรื่องกมู่คณะนานวันก็ยิ่งรู้สึกศรัทธาในมู่คณะและยิ่งรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นที่ได้บวชเป็นพระลูกจ้างไม่เดือบคุณหลวงพอ่อย่างยากสุดที่จะบรรยายเลยครับก็ดีแล้วไม่ต้องบรรยายหรอกเอาแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วเดี๋ยวมันจะดกเกินไป ผมยังปรารถนาที่จะนำแสงสว่างไปสู่หมู่ญาติผ่านจดหมายรักฉบับนี้นกลาบขอคว า, วามเมตตาเดยคุณหลวงพ่อช่วยตอบคำถามอัแปลยังลูกแปลยังภาษาจีน <laughs> <laughs> เพื่อเป็นประทีปส่องนำทางชีวิตให้แ ก, ก่กระผมและหมู่ญาติ เ, เป็นที่รักด้วยครับกำลังแปลภาษาจีนโยี่ยมพ่อของผมเป็นชิปปิ้งสุดหลอ่อ อืมันพ่อก็ต้งชมพ่อเลยมีอาชีพออกสินค้าที่ท่าเรือคลองเตยแล้วก็มาพบรักกับแม่ผมแม่ผมเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงสุดสวยคือยมแม่ของผมที่ที่ร้านอาหารในท่าเรื อ, อ ทิปปิงสุดหลอ่อมาเจอแม่ค้าข้าวแกงสุดสวยที่ร้รานอาหารที่ท่าเรือเยิ่พ่อพอเห็นเท่านั้นก็ปิ้งเลยถือกติเตอเท่านั้นที่ครองโลกเพราะอย่าลืมโยแม่สุดสวยเนี่ยเยิมพ่อกัพย า, ยามไปบอกรักใครโยแม่ก็ไม่ไม่หือไม่อือไม่เอาอเพราะว่าโยแม่ตอนนั้นยังไม่ชอบ โยมพ่อก็ไม่ว่าอะไรเมื่อเข้าทางโยมแม่ไม่ได้ก็เลยเข้าทางทางโยมตาโดยลงทุนไปช่วยแบกน้ำทำงานบ้านอยู่หลายปีโอ้โหนี่เลิมจริงๆเลยเนี่การแบกน้ำว่ายากลำบากแล้ว <c oughs> แต่การที่จะห้ามใจไม่ให้รักแม่ของผมนั้นยากลำบากกว่า <c oughs> สุดจะบรรยายเลยเพราะว่าสุดห้ามใจรักเพร่ช่วยแบกน้ำอยู่ที่บ้านหลายปีแบกไปแบกมาจนในที่สุดโยมตาก็ใจอ่อนยกลูกสาวให้แต่งงานจนม่ลูกด้วยกันสี่คนปกติโยมพ่อเนี่ยเป็นคนแข็งแรงถือกระเป๋าเจมบอน แล้วก็พกปืนลูกโม่พร้อมมีดสัน้นไปทํางานเอาสินค้าทิท่าเรือทุกวันจน เ, นเพื่อนๆเรียกพ่อว่าคนเหล็ก <laughs> ย้ำว่ามักจะพูดด้วยความภูมิใจว่าพูดด้วยความภูมิใจเพิ่งมาหัดดื่มเบียร์เมื่ออายุสี่สนะิบปีโอทำไมมาภูมิใจในการดื่มเบียร์นาะ <laughs> ทั้งทั้งที่กา น, นี่เป็นคนดีไม่เคยดื่มมาตลอด ภูมิใจจนก็ทั้งวันหนึ่งเส็นละเอีดฝอยในสมองแตก oh. เป็นลมลมฟุด ต, ต้องเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลโยมพ่อจึงรู้ว่าไม่ควรเลยมาหัดดื่มท่านก็รักษาตัวเรื่อยมาจนปัจจุบันสามารถเดินไปมาและช่วยเหลือตัวเองได้ยมแม่เป็นคนซื้อแล้วก็มีน้ำใจอบอ้อมอารีเอาใจใส่ ห่วงยายพี่น้องและญาติมาโดยตลอดจะมป็ที่รักของญาติพี่น้องแต่พอภายหลังแต่างงานกับยมพ่อยมแม่ก็เครียดกับปัญหาครอบครัวเครียดเรื่องการเงินเครียดเรื่องโยมพ่อไปกิกสาวอื่นจนโยมแม่ป่วยเป็นโรคประสาทอยู่ช่วงหนึ่งต้องรักษาด้วยการใช้ไฟฟ้าช็อตที่สมองจนกลายเป็นรอยบุ๋มจารึกเป็นอนุสรณ์ ไว้ที่กระโลกศีรษะจนถึงปัจจุบันโยมยางผมเป็นคนจีนใจเย็นเป็นคนใจบุญถือศีลยินเจว่ว้เจ้าไปตามความเชื่อแบบชาวจีนบรราชีวิตของท่านจะย้ายที่อยู่ไปตามบ้านของลูกๆแต่ละคนเื่อคอยเยี่ยมเยยนลูกหลานท่านเสียชีวิตด้เรคาเบาหวานกรมอายุได้เจสิบกปีโยมยางผมเป็นคนไทยใจบุญ โยม ย, ายม่าเปคนจีนใจเย็นโยม ย, ายม่าเป็นคนจีนใจเย็นโยม ย, ายม่ามคนไทยใจบุญทำบุญกับพุทธศาสนาแบบไทยๆเป็นป่วยเป็นโรคมะเร็งหลอดอาหารเสียชีวิตวัยยุติเจ็ดสิบก้าปีพระเพื่อนของผมทำไมมาพระเพื่อนแล้วนี่ยเนื่องจากคุณพ่อเป็นธรรมทานญาตรุน่นีหนึ่งของวัดพระธรรมกายแล้วไม่พ่อไม่บวชอ่ะ ทำไม่ได้ครับพระธรรมการตั้งแต่อยู่ในครันมารดาซึ่งมโยมพ่อของท่านมากราบเรียนการตั้งครันของภรรยาให้หลวงพ่อทราบแล้วหลวงพ่อก็แนะนําำมโยมพ่อของท่านถือศีลแปดเพื่อรับเด็กที่มาเกิดและงจาคลอดทันแล้วโยมพ่อก็ได้อุ้มท่านซึ่งยังแ บ, บเบาะอยู่มากราบหลวงพ่อที่ศาลาทศสิศฐ์และขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยตั้งชื่อให้ซึ่งหลวงพ่อก็ได้เขียนชื่อเป็นมงคลความหมายคําบวยพร แล้วก็ลงนามเป็นที่ระลึกลงกระดาษ A5 ให้เหตุการณ์นี้ยังความเพลื่มปิติใจมาสู่ครอบครัวของท่านมากถึงการนึกกระดาษประวัติศาสตร์แผ่นนี้นํากระดาษประวัติศาสตร์แผ่นนี้ใส่กรอบตั้งไว้ในห้องพระที่บ้านเมื่อพระเพื่อนผมโตขึ้นก็ได้มาวัดพร่างกับครอบครัวทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนและทุกงานบุญใหญ่ทําให้มีโอกาสเริ่มบุญทุกบุญของวัดไม่เคยขาด สมัได้บรรพชาเป็นสามเนยิวัธรรมไทยญาติอรรนิสาเมื่อปี2533สมัยเด็กท่านมีอาการสมาธิสั้นคืออยู่นิ่งไม่เกินห้านาทีก็ตัองหาอะไรทำกว่าจะพูดได้ก็เกือบสามขวบแต่พอพูดได้ก็พูดมาหยุดเออพูดเร็วจนคนรอบข้างฟังไม่ทันบางครั้งมาสนใจเราก็จะจดจ่อทำอย่างไม่วางมือแต่ถ้าหาไม่สนใจก็จะไม่แตะต้องเลย ราเพื่อนผมปรารถนาจะบวชแต่หลังจบการศึกษาปริญญาตรีแต่เพราะทำงานเป็นสจวดการบินไทยและมีผลงานอยู่ในระดับยอดเยี่ยมอีกทั้งกำลังศึกษาต่อปริญญาโทจึงไม่สะดวกลางงานมาบวชต่อมาภายหลังนี่จากคุณย่าเข้าโรงบจจบาลที่เรามาเร่งกางสุดท้ายท่านจึงตัดสินใจมาบวชอบุญนี้ให้คุณยา ก, ก่อน แต่เมื่อบนรล่การตัดสินใจหยุดบินรอบโลกมาเดินบินบำบัดรอบวัดโดยการลาออกจาก ง, งานการบินไทยที่มั่นคงมาสู่เส้นทางที่มั่นใจพระเชมันว่า ก, การบวชและการปฏิบัติธรรมจะเป็นวิธีที่ทำให้รักคุณทัฟ้าได้ยอย่างแท้จริง ดูน่าส่วนัตผมเป็นลูกคนสุดทองครอบครัวฮีเราในดวงใจผมตั้งแต่เด็กคือคือตีใหญ่พ่อพ่อละทุดงอ่าขณะที่ผมเรียนหนังสืออยู่ชั้นมัธยมต้นวันหนึ่งขณะเดินกลับบ้าน อยู่ผมกลับมีความรู้สึกว่าเราน่าจะหนีออกจากบ้านไปบวชเสียแต่คืนนี้เลยอ๋อโอ้ยังกับพระยะศาักดิ์โมารเนี่ยยังกับท่านยะศักุมารแต่ก็ไม่เป็นทัานยะศักุมารเพราะฉุก ค, คิดได้ว่าหาไม่กลับบ้านทําให้คนที่บ้านเสียใจมาก oh. อจึงเ ซ, เซ็นเซอร์ความคิดนี้ไปโดยอัตโนมัติ <Okay. S 1> แต่ว่าเมื่อผมเข้าเรียนมาหาลาัยในปี2534แต่มีกระมิดแนะนําให้มาวัดพระธรรมกายครั้งแรก ว่าผมได้เห็นอาคารสถานที่สื่อสิ่งพิมพ์ของวัดและฟังคำสอนของหลวงพ่อแล้วโดนใจอย่างมากมรู้สึกเชื่อมั่นมากมมีความลังเลสงสัยเกิดขึ้นในหัวใจดวง น, น้อยเลยหัวใจของผมเกิดพลังศรัทธาพวยพุ่งึ้นมาจนคิดจ่จะบวชติดชีวิตอยู่ที่วัดนี้ให้ได้สาธุนิคลุเขาจากันได้ทั่วโลกแล้วนะลูก <laughs> ต่อมาผมยังได้บวชเป็นธรรมทายาทพารดูร้อนรุนที่ยี่บหนึ่ง ภยหลังจากกรบการอบรมจรึงราศิขาอ้าว <c oughs> ทำไมอย่างนั้นแหละ <c oughs> อ๋อแล้วกลับไปช่วยงานชมรมพุทธในมหาลัย <c oughs> จากนั้นทั้งจบการศึกษาปริญญาตรี <c oughs> แล้วก็ทำงานทางโลกหยุดสองปี <c oughs> จึงเดินทางไปเป็นบัณฑิตแก้ว <c oughs> ต่างประเทศร่วมกับเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งโ <c oughs> ดยไปช่วยงานศูนย์สาขาต่างประเทศของวัดธรรม ก, า, กาเป็นเวลาแปดปีภ <c oughs> ายหลังเราทั้งสอง จึงกลับประเทศไทยออกกับเพื่อนนะมารับรับบุญแปลรายการอุบาลฝันดิฝันเป็นภาษาตามประเทศอยู่ที่วัดพระธรรมกายและรังสองก็ได้ข้าเป็นบุคลากรรุ่นที่19ในปี2548ซึ่งลูกทุกๆคนในรุ่นขอสร้างบารมีติดตามครูไม่อย่าไปจนถึงที่สุดแห่งธรครับและในวันนี้รุ่น19ก็ยังไม่มีชื่อรุ่นเลยครับ จึงกราบขอความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เมตตาตั้งชื่อเป็นความเป็นสิริมงคลและเป็นกำลังใจให้กับลูกๆลูกคนสิบก้ายด้ยครับ อ, อะไรดีเอาสอ ง, องคำดีไหมอาเขาช่วยกันตั้งแล้วอะ่ะ <c oughs> อ, อนุมาติชื่อนี้เลย <c oughs> โอ้รุ่นสิบเก้ารุ่นสิบก้าชื่อสู้ไว้แล <c oughs> ้วก็าดี <c oughs> <c oughs> แต่สำหรับตัวผมเองเนื่องจากโยมแม่ต่างการที่ออกไปทำงานทางโลกอีกผมจึงขอาญาตท่านมาบวชพระอรุ่นบูชาทํา62ปีของมาเด็บคุณหลวงพอ่อส่วนเพื่อนผมก็ยังเป็นอุบาสกอยู่เหมือนเดิมการบวชของผมครั้งนี้โยมแม่ท่านก็กำชับก่อนลิบผมลูกชายว่าครั้งนี้ให้บวชเป็นครั้งสุดท้ายนะ <c oughs> ดีลูก ถูกต้องจ้ะแปลว่าท่านอนุญาตแล้วให้ลูกบวชเป็นครั้งสุดท้ายเพราะฉะนั้นลูกจะต้องทําตามคําสั่งของโยมแม่คือประกาศนโยบายปฏิรูปชีวิตบวชเป็นครั้งสุดท้ายจนกว่าจะถึงวันกลับดุสิตบุรีนี่ต้องต้องทําตามนโยบายปฏิรูปชีวิตนี่อาคําถาม คำถามโยมยาเป็นคนใจบุญถือสิงหินเจว่ายจ่าตามความเชื่อแบบชาวจีนตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่ลูกหลานติดไปให้หรือไม่ทําไมเสียชีวิตได้เรคเบาหวานถ้ามีอะไรอยากฝากบอกลูกหลานหรือไม่ครับโยมย่าเป็นคนไทยใจบุญตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่ลูกหลานติดไปให้หรือไม่ทําไมเสียชีวิตด้าวยเร็มะเร็งหลอดอาหารมีอะไรอยากฝากบอกลูกหลานไหมครับ ยมพ่อทำกรรมอะไรามาจึงล้มป่วยเสยลล์เห็ดฝอยในสมองแตกเขารับการผ่าตัดสมองและเป็นออมพลึกอยู่หลายปีจะแก้วิบากกรรมนี้ในระ ย, ยะยาวได้อย่างไรครับเนี่ยไม่ดื่มเบียร์ทดลองดื่มเห็นไหมผู้ผลิตผู้จําหน่ายไม่รับผิดชอบนี่นีเห็นไหมยอมแม่ทํากรรมอะไรามาจึงต้องมาป่วยเป็นโรคประสาทอยู่ช่วงหนึ่งและถูกช็อตด้วยไฟฟ้าที่กะโหลกศีรษะ บุญอะไรที่ทําให้พระเพื่อนของผมได้มาวัดสร้างบารมีตั้งแต่เด็กและได้รับการตั้งชื่อจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อบุญปกรรมอะไรทําให้พระเพื่อนก่อาจะพูดด่กากเมยุกเกือบสามขวบและก็มีอาการคล้ายมีวิบากกรรมสุราคือเอเลอรตลอดเวลาคล้ายเด็กสมาธิสั้น <c oughs> พระเพื่อนเคมีความสัมพันธ์กับผมเปอย่างไรในอดีต ร, ร่วมสร้างบารมีกับหมู่คณะเปอย่างไรและควรประคับประคองตัวเองในเช่นทางการบวชสร้างบารมีอย่างไรบ้างครับมีผังบวชแน่นไหม แน่นมากแต่อย่าไปลื้อก็แล้วกันแล้วตั้งสร้างบา ร, รมีอย่างไรจึงจะได้พบหมู่คณะเร็วๆและได้เกิดในครอบครัวธรรมกายอย่างในชาตินี้อีกครับอุบาสกเพื่องผมในอดีตเคยมีความสำนึกกับผมมาอย่างไรจึงได้สร้างบา ร, รมีริ่มกันมานานและเขาเคยสร้างบา ร, รมีกับหมู่คณะมาอย่างไรบ้างครับเคยศึกษาวิชาธรรมกายมาบ้างหรือไม่มีวิบากการรมมังกรเป็นทหารที่จะมาตัด ร, รอนชีวิตไหมครับ ร, รู้ได้ไง พุตตะนันทิ拉萨ได้ลงมาสร้างบริเมีกำมือคณะกี่รอบครับพี่เอาผููที่เป็นอุบาสกแม้อยากจะบวชแต่ไม่สามารถทําได้เราต้องรับบุญในส่วนงานที่พระทําไม่ได้แบบนี้จะได้บุญแตกห่างจากการบวชเป็นพระภิกษุอย่างไรแบบไหนถึงจะได้บุญ ม, มากกว่าและเรามีหลักการตัดสินใจว่าจะสร้างบริเวณแบบอุบาสกหรือพระอย่างไรครับในใจผมรับ บ, บุญแปลภาษาไทยเป็นภาษา ต, ต่างประเทศจะเป็นการแปลเพื่อสื่อสารระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ จึงเกิดความสงสัยว่าสัตว์กับสัตว์สื่อสารกันได้อย่างไรเช่นสัตว์สายพันธุ์เดียวกันในสิ่งแวดล้อมประเทศเดียวกันเช่นม้าไทยคุยกับม้าไทยสัตว์สายพันธุ์เดียวกันแต่โยงคนละประเทศแล้วมาเจอกันเช่นม้าไทยคุยกับม้าต่างประเทศไม่มีอะไรถามแล้วเลยนี่ไม่มีอะไรแล้วเลยนี่สัตว์ต่างสายพันธุ์คุยกันเช่นช้างคุยกับยีราฟ นี่เป็นครูไม่ใหญ่แต่มันเป็นอย่างงี้เนี่ยและในยุคนี้หากมนุษย์ต้องการสื่อสารกับสัตว์ต้องพูดภาษาสัตว์หรือภาษาคนเออไม่รูไม่รูโอ้อมีตาพระเป็นครูไม่ใหญ่นี่ไม่จากผมและเพื่อนที่รับบุญด้านภาษาต่างประเทศรู้สึกว่าการศึกษาภาษาใดๆให้จำนานนั้นต้องใช้เวลาฝึกฝนนานมากจึงอยากจะทราบว่ามีบุญพิเศษอะไรไหม ที่จะส่งบทนิชาต์นี้และชาติต่อไปแตกฉานในสรรพภาษาได้ตั้งแต่เกิดโดยไม่ต้องเรียนอเออนี่ปฏิสัมพิทาญาณอะไ ร, รก็ต้องสร้างบุญนี้เยอะๆ ย, ยอมพ่อยอมแม่ยอ่ยมพี่ๆและตัวผมใครสร้างบารมีกมับโมฆะมาอย่างไรบ้างครับผมเคยศึกษาวิชาธรรมกายมาก่อนบ้างไหมครับอานี้ผมจะสามารถจะเยงหลวงพ่อเผยแผววิชาธรรมกายไปทั่วโลกได้สำเร็จหรือไม่ครับ ผังเร์งผมนานแน่นเพียงใดครับผมควรจะประกอบครองตัวเองในเส้นทางการสร้างบารมีและเพิ่มบูญความสามารถด้านใดเป็นพิเศษบ้างครับบุญจากการเบอร์ผมจะสามารถช่วยเหลือโยมพ่อโยมแม่และหมู่ญาติได้อย่างไรบ้างครับอจำ เ, อเรื่องราวและคําถามได้ไหมจ๊ะจำได้รับราฝันเป็นตูนตาเตือนขึ้นม า, านแล้วก็นํามาไล่ฟังเป็นนิยายปารัม b รากันจ้า เยอมยายเสียชีวิตเดีโรคเบาหวานเพราะกรรมฆ่าสัตว์ธรรมอหารหลายๆชาติมารวมกันส่งผลเจ้านี่กรรมฆ่าสัตว์จะเปโรคเบาหวานละจํากันได้นะจ๊ะตายแล้วก็ไปเป็นอากาศสเทวามีวิมานเป็นเงินขนาดย่อมได้บุญที่มีน้ําใจมีเมตตาเฉลือคนอื่นแบบชาวโลกที่ดีจ้าได้รับบุญที่ไปให้แล้วก็ทําให้มีสภาพดีขึ้นทุกด้านท่านั่งยิ้มสดชื่นอยู่ในวิมาน ฝาบมาบอกว่าท่านมีความสุขดีจ้าโยมย่าเสียชีพิธิมะเรงหลอดอาหารเพราะกรรมฆาสตสัตนอาหารแหนดีดโดยช้วิธีแทงวิัิคอบ้างเชือดคอบ้างบ่อยๆมารวมส่งผลจ้าตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดามีวิมานเป็นทองหลังย่อมย่อมบนสวรรค์นันจะตุมหาราชิกาสายคนทันโดยบุญ่ทําไว้ในพระพุทธศาสนาตามประเพณี ได้รับบุญทิปี่ไปให้แล้วก็ทําให้ท่านมีทิปะยาะสมบัติเพิ่มขึ้นจ้าท่านยิ้มย้มแจ่มใสและอยากได้บุญอีเพราะเห็นผลแห่งบุญแล้วโยมพ่อล้มป่ ด, ดๆๆินโรฮอไอเซนลรจิตในสมองแตกและโดนผ่าตัดสมองจนทำให้เป็นอามาพลึกอยู่หลายปีเพราะแดดีตชาตชาเคยเมาแล้วก็มีเรื่องทะเลาะวิวาทได้เอาไห่เหล้าทุ่มใส่หัวคุยวิวาทจนทําให้เขาบาดเจ็บต้องรักษาตัวอยู่เป็นเวลานานหลายครั้ง มารวมส่งผลเจ้านี่ทูมิใส่หัวเขาดิจะต้องแก้ไขก็ทั้งให้ท่านทาทารักษาศีลเจริญภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาบ่อยๆแล้วอุทิศสงสมิย่างผู้ทีท่านเข้าไปบีบเบียนเขาเอาไว้และตัวลูกก็ต้องทําแทนท่านด้วยเราติดฐานจิตที่บุญนี้ไปตัดร่อนวิบากกรรมเก่าของท่านให้หนักเป็นเบาเจ้าเดีย๋ยวแม่เป็นโรคประสาตต้องถูกไฟฟ้าจี้ ก, กันโหลศีษะเพราะ แน่ดีเคยผิดหวังในปัญหาชีวิตได้คิดหาทางออกโดยการดื่มสุราบ่อยๆนี่อพอเศร้าก็ดื่มสุราเนี่ยอพอเมาพอหายเมาก็เศร้ า, เ, าเหมือนเดิ ม, มจริงทำใวิบากกรรมนี่มาส่งผลจ้าก็ตายท่านทําทานรักษาศีลเจริญภาวนาปล่อยทรัพย์ไปปลาเช่นเดียวกันแล้วติฐานในวันนี้ไปตัดรอรรรวิบากกรรมนั่นกล่าวเจ้าพระเพื่อนในมารวษาบรมีแต่เด็กเพราะ ในอดีตท่านเมื่อทําบุญทุกบุญท่านกระจาติฐานจิตให้ได้สร้างบารมีตั้งแต่ยังยาววัยจ้าอีท่านได้เคยสร้างบุญครูไม่ใหญ่มาลาชาติแล้วดิจ้าพระเพื่อนกว่าจะพูดได้อายุก็เกือบสามขวบอเลิศตลอดเวลาคล้ายคนมีสมาธิสัน้นเพราะในอดีตมักมีนิสัยชอบเลี้ยงฉลองด้วยเหตุต่างๆและฉลองทุกครั้งก็มีสุราเขาร่วมด้วยทุกครั้งที่มีเฮฮาปาร์ตี้กัน ทั้งคืนมัวรวงทรงผลจ้ะ oh. คือเอาอาร์แล้วก็ฉลองจะรองฉลองอย่างนี้แหละจ้ะ <c oughs> แล้วก็มีสุราเคารวมโดยทุกครั้ง oh. จึงทําให้มีสมาธิสร้างนี้แหล oh. ระรักเพื่อนกับตัวลูกในอดีตก็ได้เคยเป็นเพื่อนสหธรรมิกกันโดยบริยกมุขคณะมาคล้ายชาตินี้แหละจ้ะสร้างบารมีกมุขคณะมาโดยบริยกมุขคณะมาอย่างนี้หลายชาติแล้วมากจะติทานว่าคอยทีสร้างบารมีกมุขคณะมาตั้งแต่อย่างเยาวไวั อีผังบวชนานน่ยเดียกันทั้งคู่จ้าะังนั้นอย่าไปพังผังนะแต่ก็อย่าประมาทในการดำเนินชีวิตในเพศสมณะจ้ะทั้งสร้างบุญทั้งบุญใหเต็มที่แล้วมาในที่ฐานจิตให้ได้มาเกิดในครอบครัวธรรมกายและเข้วัดตั้งแต่ยังเยาว์อย่างนี้ไปทุกชาติบ่อยๆจ้าอบาสกัตรลูกในอดีตได้เคยเป็นเพื่อนทหารกันของพระราชาองค์ที่ออกบุญพระพุทธันดที่ผ่านมาจ้าใครทราบเป็นอะกมุขน้ามาโดยพุทธันดที่ผ่านมา ได้เป็นตาแงพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ออกบวชตามพระราชามาบวชแล้วก็ทําหน้าที่เผยแผ่จนตลอดชีวิตอิพจนการปฏิบัติทรรมได้เก่าถึงพระธรรมกายภายใน อ, อตัตราชกลับดุสิบุรีวงมลวิเศษได้ได้เรามาสร้างบารมีได้ทั้งสองรอบนะจ๊าผูา้ที่เป็นอุบาสกแม้อยากบวชแต่ไม่สามารถบวชได้ในตอนนี้เราต้องรับบุญในส่วนที่พระทําไม่ได้นั้นก็จะได้รับบุญคนละแบบกับพระคือ จะได้บุญพิเศษในส่วนที่ได้รับบุญในงานที่ได้รับมอบหมายจช่แต่จะได้รับบุญมากบุงน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับการทุ่มเทชีวิตจิตใจในภารกิจที่ได้รับมอบหมายไม่ว่าจะบวชเป็นพระหรืออุบาสกก็ตามจ้่ภารกิจในกองทัพธรรมนั้นมีหลากหลายเลยรับมอบหมายจากโมกนาให้ทําอย่างไรก็ทําอย่างนั้นในสุวชีวิตก็มีสิทธิกลับยูสิบุรีได้ตามหลักวิชาแล้วะ้าอุบาสกได้ฝึกคนที่จะมารับหน้าที่แทนตนฝึกน้องใหม่ ให้มีหัวใจเช่นเดียวกับตนได้แล้วก็วค่อยมาบวดไปพระในไปหลังได้นี่จ้าสัตว์กัตรัต์สื่อสารกันโดยภาษาสัตว์ที่ไม่ซับซ้อนเหมือนมนุษย์นี่ตุ๊กแกตั้งชาติมันก็ร้องคำเดียวแะตุ๊กแกไม่ไม่ร้องฮิฮิมีไหมเอาใครเจอตุ๊กแกร้องฮี <laughs> เอกอูไม่อยากจะได้จัดฉลองไยโดยภาษาสัตว์ที่ไม่ซับซ้อนเหมือนมนุษย์ แต่เข้าใจกันได้โดยการส่งผ่านอารมณ์และความรู้สึกผ่านไปทางเสียง mm hmm. ซึ่งทําให้อีกตัวหนึ่งรับรู้และเข้าใจความหมายนั้นได้ใช่ oh. นี่สื่อส่งผ่านอารมณ์และผ่านเสียงไหม mm hmm. คําเดิ ม, ค, ดมคําเดียวอะไรของมันเน่ยมันเออแต่มันก็รู้กันได้ mm hmm. เออสัจสายพันธุ์เดียวกันในสิ่งแวดล้อมเดียวกันเช mm hmm. ่นมาไทยคุณเงินเองคุยกับมาไทย mm hmm. ก็ใช้วิธีการดังที่ได้กล่าววันนี้เลยใชะไหมนี่ สัตว์สายพันธุ์เดียวกันแต่อยู่คนละประเทศเช่นม้าไทยคุณกับม้าต่างประเทศ <c oughs> อืมก็ใช้วิธีการดังที่ได้กล่าวมาแล้วต่างแต่ว่าต่างตั้งมรียนรู้สำเนียงกันใหม่อืมอ่าอ่าอถ้าม้าไทยถ้าควบแล้วบอกย่อๆแปว่าหยุดอ <c oughs> แต่ม้าฝรั่งย่อๆนึวกว่าย่อๆวิ่งอา้าวควบแน่ไปแล้ว มันนี้ก็ต้องมาสื่อสารกันมาเรียนรู้สำเนียงซึ่งกันและกันออและง่ายกว่าการสื่อสารคนมนุษย์กับมนุษย์คนละภาษาจะมนุษย์ภาษาเดียวกันยังพูดไม่ค่อยรู้ภาษาเลยเออ <laughs> ไปเชื่อไปดูมนุษย์ตีบานเถอะพูดภาษาเดียวกันไม่ค่อยจะรู้ภาษาเ <laughs> ขาสื่อสารกันง่ายๆแต่ก็ต้องเรียนรู้กันสัตว์สายพันธุ์ต่างกันเช่นช้างกับยีราฟควสามารถสื่อสารก็ได้ในจำนองเดียวกันแต่ต้องใช้เวลาเรียนรู้มากขึ้นกว่าสัตว์ชนิดเดียวกันเจ้า ในยุคนี้ถ้าเขาจะสื่อสารกับัตย์นั้นก็ใช้ได้ทั้งสองภาษาเอาภาษาคนก็ได้หรือแมอวแม ว, มอวอคิตตี้คิตตี้อมาอะไรเงี้ยแมวต่างประเทศแมวแมวไม่ค่ อ, อ, อ, คอยจอะมานะคิตตี้คิตตี้อเมาามามันน่าเคาะกะโหลกจริงนี่แหละจ้ะโดยต่างเรียนรู้สึ่งกันละกันจนคุ้นเคยแล้วขจารวจสื่อความหมายว่าอย่างไร แต่ก็ไม่ลึกซึ้งเหมือนมนุษย์กับมนุษย์จ้ะมันครูไม่ใหญ่สื่อสารกับนกเนี่ยเอ้ก็เข้าท่านะแต่เอาเป็นไงสบายดีแล้วมันก็อบางทีก็เฉยๆเออบุญที่จะส่งมนุษย์แตกแขนในศัพทภาษาตั้งแต่เกิดโดยไม่ต้องเรียนนั่นก็เกิดจากการบาเพ็ญบารมีสิบทัศนจนเต็มเปี่ยมหรือบุญพิเศษที่ดจะกการฝึกฝนภาษาต่างๆประการเผยแผ่ธรรมะ ขอมาสัมมาสมุทเจ้าวิชาธรรมกายและอธิษฐานจิตให้ได้ปฏิสัมพิทายานสีโดยเฉพาะนิรตุติปฏิสัมพิทายังแต่เกิด<อ>ก็คือต้องสั่งสมบุญและอธิษฐานนั<อ>่นแหละถ้ า, าบารมีเต็มเปี่ยมต้องเต็มเปี่ยมนะ<อ>จึงจะสําเร็จทุกอย่าง<อ>เหมือนปร<อ>ัชนาจะเป็นพระส<อ>ัมมาสัมพุทธเจ้าบารมียังไม่เต็มเปี่ยมก็ยังเป็นไม่ได้ปราัชนาจะพูดภาษาอย่างนี้ภาษาศัตว์ต่างๆโดยไม่ต้องเรียนถ้าทําบุญแล้วก็มุ่งเป้าไปอย่างนี้นะจ๊ะตั้งหวังสำเร็จได้ เมื่อบารมีเต็มปีมก็เป็นได้ยอมพ่อยอมแม่ยอมพี่เคยสร้างบาร ม, มีกระบวนะมาโดยเป็นกองเสบียงประเภทตามอารมณ์ทําให้บางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันจ้าส่วนตัวลูกพุทธันดรที่ผานมาโดยเป็นท่างของพระราชาองค์ที่ออกบวชต่อบวชตามพระราชามาบวชแล้วก็ทําหน้าทีเ่เผยแผ่จนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัตทิทําให้เก้าถึงพระธรรมกายภายในเอาตัวราชกราบดุสิตบุรีวงบศบนวิเศษได้ เรามาสร้างบารมีได้ทั้งสองรอบจ้าชาตินี้ก็จะประมาทในการดำเนินชีวิตในเพศสมณะกันแล้วกันจ้ะให้มีสองคำจาไว้ให้ดีคือไม่สึกไม่สึกไม่สึกให้ตั้งใจบําเพ็ญสมณะธรรมและฝึกฝนด้านภาษาให้เพิ่มเติมอีกส่วนบุญแห่งการบวชของลูกก็จะมีส่วนในการปิดอาบายกับโยมพ่อโยาแม่ได้จ้าชาตินี้มาเจอกระลาก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่นีนทุกบุญเราติฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงมุนวิเศษเพลบ ร, รมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า ก็เป็นเรื่องราวของแคงสต์ดีสั้นๆ ส, สำหรับคืนนี้